สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาจารย์เหมเวชกรค่ะเป็นบรมครูนิยายสยองขวัญตั้งแต่ประมาณปี2400 ก, กว่านะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องใหม่ตอนมาจากเมืองมืดนะคะนั่นก็คือเรื่องกรุงเทพแช่น้าถอยหลังไปสัก20กว่าปีในสมัยกรุงเทพแช่น้า จัดว่าเป็นสมัยที่แสนลำเค็นของชาวไทยกรุงเทพนะคะทั้งๆ ท, ท, ที่กรุงเทพกำลังถูกสงครามโลกครั้งที่สองครอบคลุมประเทศไทยอยู่แต่ว่าเคราะดีค่ะที่พวกที่กำลังแช่น้ำอยู่ฝ่ายฝรั่งที่เคยมาบอมเมืองไทยก็ถูกทางฝ่ายญี่ปุ่นนี่ตีแตกร่นไปการบอมก็เลยเกือบว่าจะไม่มีเพราะว่าสนามบินที่จะมาบอมนี่ห่างออกไปคนไทยก็เลยพอมีเวลาหายใจหายคอบ้าง แต่เจ้าพระคุณเอ้ยแม่พระคงคาเกรงชาวไทยจะร้อนจักริ์ระเบิดค่ะก็เลยช่วยประสานถวายพระคงคาบ่าเข้าท่วมประเทศไทยตั้งแต่เหนือลงมาจดกลางนะคะแผ่นดินเนี่ยแช่ยอยู่ในน้ําตลอดเลยแม่สายทาราค่อยค่อยเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพตอนแรกๆเลยชาวกรุงเทพหนุ่มสาวตื่นเต้นของใหม่ที่นานๆจะไม่อาจจะมีมาสักทีหนึ่งนะคะ ถนนที่รถวิ่งได้จะเป็นทางให้เรือเล็กๆเนี่ยแล่นได้บ้างเรือกับรถก็วิ่งหลีกกันหลบกันก็เลยกลายเป็นสภาพที่แปลกประหลาดขบขันสนุกสนานแต่ว่าอ น, นิจจาค่ะคุณผู้ฟังความยากเข้าสู่ยังหารู้ตัวไม่ทางเดินที่เคยแห้งก็มามีสายน้ําไหลแรงบ้างอ่อนบ้างใส่รองเท้าไปทํางานก็ไม่ได้บ้านที่เคยอยู่อย่างสำอางน้ําก็เริ่มเจิ่งขึ้นมาต้นหมากรากไม้ค่อยๆจมลงใต้น้ํา การไปทำงานหาเงินเลี้ยงท้องเลี้ยงปากนี่มันช่างลำบากเข้าเต็มทนที่ทำการน้าท่วมค่ะโรงงานก็น้าท่วมบางแห่งโรงงานก็ต้องหยุดนั่นหมายถึงปากท้องของคนยากคนจนจะต้องท้องแห้งเพราะว่าไม่มีที่ทำงานในยอดสแสวงธรรมเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกเพื่อนๆตอนแรกนี่ไม่ได้คิดว่าความยากจะมาสมกะลาหัวก็สนุกแล้วค่ะ ท่องน้ำเล่นกันที่หน้าพระบรมรูปทรงม้าตื่นเต้นกันค่ะว่าน้ำไม่มากจริงๆไม่เข้าถึงตาบลที่ว่านี้ได้แต่ว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้ำท่วมถึงหน้าพระบรมรูปทรงม้านี้ก็เป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วแต่ว่าแม่พระคงคาบ่าเข้าเมืองคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เมื่อสมัยที่ครูคน น, นี้ยังเป็นเด็กอยู่ที่ท่วมอยู่ไม่กี่วันก็ลด แล้วก็การท่วมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการท่วมชั่วเวลาเท่านั้นแล้วก็ขึ้นบ้างลดบ้างตามเวลาของน้ำทะเลแต่ว่าครั้งที่กำลังผจญอยู่นี้ไม่มีการลดมีแต่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะจากการเดินลุยเล่นจะเป็นการลอยคออยู่แล้วแล้วก็หนักเข้านานวันนานเดือนไม่มีกำหนดว่าจะจากไปเมื่อไหร่ถ้าผู้ที่อยู่บนฟากฟ้ามองลงมา ก็จะเห็นพวกมนุษย์ที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมีสภาพไม่ต่างกับมดที่เกาะกิ่งไม้ลอยไปลอยมาที่ไหนแห้งเขินก็ไปชุนลมุนวุ่นวายกันอยู่ที่นั่นถนนหนทางที่เคยเดินสมัยก่อนจะเดินลุยเล่นไม่สนุกซะแล้วสิบางแห่งท่วมครึ่งน่องบางแห่งเลยเข่าบางแห่งก็ถึงแค่เอวไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยเรือ พวกชาวต่างจังหวัดน้ําท่วมนาท่วมไร่ก็หมดทางทำมาหากินก็เลยต้องหาเรือทุกชนิดมาทํามาหากินในกรุงเทพชาวกรุงเทพก็เลยได้พึ่งพิงอาศัยเขาที่ทําการรัฐบาลก็ได้ลดหย่อนเวลาเข้าทํางานให้ไปถึงที่ทําการล่าช้าได้เพราะว่าบางคนไี่อยู่ใกล้ไกลมันไม่เหมือนกันไงะคะคุณผู้ฟังบางคนก็อยู่ในกรุงบางคนก็อยู่ชานกรุงกว่าจะไปถึงกระทรวงได้ก็ทุลักทุเลเพอสมควร พวกที่อยู่ในกรุงใกล้ๆ ก, ก, กระทรวงก็เลือกถนนที่น้ําท่วมเพียงครึ่งแข่งเดินทางมาทํางานการเดินทางก็จะคิดเป็นสเตป็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งขึ้นมาใหม่นะก็คือต้องก้าวขายกเข่าสูงแล้วก็จุ่มขาลงไปก็ต้องทําเป็นสเตป็ปสเต็ปไปกว่าจะเดินได้ธรรมดาเพราะว่าไม่ใช่สเต็ปใหม่ก็เมื่อยขานะคะถ้าจะโมโหโทรโสเดินเตะน้ําให้ตัวเองเปียกโชค ก็เลยมองดูการเดินไปในรูปต่างๆแต่และถนนช่างแปลกตาหน้าทุเรศเช่นกันในยอดแสวงธรรมค่ะอยู่ฝั่งธนบุรีแถวงเวียนใหญ่เข้าตรอกชั้นแรกก็ท่องน้ำแล้วล่ะค่ะแต่ว่านานเข้านะคะน้ำก็เลยระดับจะท่อง ก็จะมีเรือมารับจ้างตอนเช้าตอนเย็นซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกันอยู่บนนอกการทำมาหากินอยู่กับพื้นดินเมื่อดินไม่มีก็เข้ามารับส่งพวกในกรุงก็ต้องไปทำมาหากินกันตามตึกเรือเล็กๆจะพายส่งคุณยอดเนี่ยเพียงแค่สะพานพุทธเพราะว่าไม่มีเรือเล็ก เรือสำปั้นหรือแม้แต่เรือมาดลำใดนะยคะยอมเสี่ยงชีวิตข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเวลานั้นนีหูต้องบอกไหลแรงที่สุดเลยเรือทุกลำก็เลยต้องปล่อยเราแค่สะพานพุทธฝั่งทนบุรีทีนี้ทุกคนก็ต้องเดินข้ามสะพานกันไปค่ะลงทางฝ้ากรุงเทพซึ่งตอนแรกๆนะ ก็ยังพอที่จะลุยน้ำผ่านหน้าที่ทำการโรงไฟฟ้าวัดเลียบไปขึ้นที่ตื้นก็คือถนนสะพานหันข้างโรงไฟฟ้านั่นเองซึ่งตรงนั้นก็จะมีรถรางค่ะจอดคอยคนอยู่หลายคันวิ่งสายรอบเมืองผ่านมาหลายที่แล้วก็ปล่อยทุกคนลงที่สะพานผ่านฟ้าก็แล้วแต่เวรแต่กรรมละค่ะจะไปตามที่ชอบ แ, แรกๆก็ลุยน้าไปจนเข้ากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่ว่าตอนหลังนี่หมดปัญญาลุยค่ะต้องต่อโดยทางเรือเช่นกันเพราะว่าตึกกระทรวงเนี่ยดูเหมือนท่าเรือไปเลยนะคะในสมัยนั้นซึ่งในที่สุดความยากก็มาสู่คุณยอดอีกเมื่อน้ำสูงขึ้นท่วมลูกล้อรถรางไฟฟ้าก็รั่วค่ะดูดคนบนรถได้ทีนี้ถ้าปล่อยกระแสะไฟฟ้าเพื่อที่จะให้รถรางเนี่ยนะคะเดินรถได้คนก็ถูกไฟดูดเพราะว่าน้ำเปียกรถ ไฟก็เดินไปทั่วรถเลยก็เออก็เลยหยุดเดินค่ะทีนี้ทุกคนที่ไปทํางานเนี่ยนะคะรวมทั้งคุณยอดด้วยก็เลยเปลี่ยนทิศทางการเดินทางคือต้องทําสเตปมาเดินข้างถนนอยู่แถววัดเลียบค่ะหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบผ่านโรงเรียนเพาะช่างผ่านพาหุรัชผ่านเจริญกรุงเข้าข้างวัดสุทัศน์แล้วก็ออกโบสถ์พราม์ตัดตรงออกตึกดินสู่ราชดำเนินแล้วก็มีเรือเล็กๆนะคะส่งจนกร ะ, ะ, กระทั่งถึงกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกายแต่งกายของคุณยอดนะคะซึ่งเป็นข้าราชการที่กระทรวงศึกษาธิการเวลานั้นเนี่ยโอ้ดูมีสภาพเหมือนช่างไม้เลยและค่ะฟื้นอ่นุ่งกางเกงขาสั้นแต่ว่ามีผ้าขม้าคาดพุงเผื่อการขับขันนะถ้าเกิดต้องเดินเมื่อใดเนี่ยก็ต้องเอากระเป๋าสตางค์บุหรี่ไว้บนศีรษะเอาผ้าขม้าพกทับน้ำจะสาดถูกก็ไม่กลัวของเปียกละ น้ำที่ท่วมครั้งนี้เนี่ยถ้าตรงไหนไม่ตรงสายน้ําแถวนั้นจะสกระปรกขนาดหนักน้ำำําดําโศโครกลอยเกลือนเลยชาวตึกน้ําท่วมจนไม่รู้จะนั่งซ้วมได้ยังไงเมื่อนั่งลงแล้วก็เลยแค่หน้าอกค่ะใครจะถ่ายได้ยังไงละะ่ะคะแบบนี้ก็ใช้พิธีลอยกระทงแหะค่ะเสียงบุญเสี่ยงกรรมกันลอยแล้วก็โบกน้ําไปให้พ้นบ้านตัวเองถ้าไปถูกสายน้ําก็ไหลไปเอาง่ายๆเลยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนี่ค่ะปวดขี้แหละค่ะ นั่งขี้ในาน้ำนั่นแหละขี้ลอยขึ้นมาก็เอามือโบกน้ำไปไปเข้าบ้านใครคนนั้นก็ซวยไปคือพยายามเอามือปัดน้ำออกไปนะคะให้อุจจาระเนี่ยมันลอยออกไปไกลบ้านตัวเองที่สุดถ้าไปถูกน้ำชนหรือว่าน้ำล้นกระทงเสียงบุญก็ไปออกกันแถวนั้นเหลืออะไรเจ้าประคุณที่รักเรื่องรถยนต์นั้นนะคะถ้าไม่ใช่รถบรรทุกหล้อใหญ่ๆก็วิ่งไม่ได้ไม่มีความสูงพอที่จะพ้นน้าเครื่องก็ดับ ้ารถบรรทุกคันใหญ่ๆวิ่งมาแต่ละคราวนะ ย, ยังกระซินามิมีคลื่นแรงแล้วค่ะเรือพายก็เปียกกันไปตามๆกันบางทีก็เรือล่มมองดูคล้ายสนุกนะแต่คุณยอดบอกว่าไม่สนุกเลยฝ่ายพวกที่ลุยน้ำมากลัวคลื่นจะเปียกก็เขย่งเท้าเดินให้ตัวสูงพอความแรงของคลื่นย่อเข้าก็เซไปบางทีก็ล้มฉะนั้นการไม่เตรียมพร้อมย่อมเป็นความยากแก่ตัวค่ะของที่จะเปียก ผ้าโพกไว้บนศีรษะก็ปลอดภยัยมิฉะนั้นจะเปียกอยู่ในกร ะ, ะเป๋ากางเกงกร ะ, ะเป๋าเสื้อซึ่งการสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมรองเท้ายางเนี่ยมันดีเลยล่ะค่ะสมัยนั้นลุยไหนลุยกันส่วนเรื่องของอาหารนะคะคุณยอดที่เป็นข้าราชการที่กระทรวงศึกษาธิการบอกมาว่าเวลานั้น อะไรอะไรเนี่ยมันไม่เท่าดื่มน้ำมันยากยิ่งนักท่อประปาน้ำท่วมน้ำเสียเป็นส่วนมากน้ำมันก็เลยที่มันอยู่ในก๊อกเนี่ยมันก็เสียเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากท่อประปาที่จมน้ำแล้วก็ไม่รู้จะเปิดน้ำมาได้ยังไงก็ต้องซื้อน้ำที่เรือเขาหามาขายเนี่ยเป็นน้ำดื่มแต่จะใช้น้ำประปาหรือไม่นั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าคิดเผล่ น, น, น, นะคะก็จะถามว่าเหตุใดเมืองแช่น้าจะกันดา น, น้าเล่า ถ้าจะดื่มน้ําที่ท่วมก็คงตายกันละค่ะเพราะว่าเชื้อโรคเป็นแถวเลยเรื่องอาบน้ําพวกที่อยู่บ้านต่ําลําบากมากจะต้องหาทางที่มีน้ําไหลแรงๆมาอาบกันได้ทีนี้ถ้าหากว่าใครที่มีบ้านช่องห้องหออยู่ในที่น้ําอับนะคะที่น้ําอับนะที่นี้ความเข้าใจของบีเองน่าจะหมายถึงน้ํานิ่งถูกไหมคะแล้วก็พากันลุยน้ําไปหาที่น้ําไหลอาบอาบแล้วก็ลุยกันกลับเท่ากับว่าว่ายน้ําไปอาบน้ําไป พวกอยู่ตึกสูงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเขามีก๊อกขึ้นไปที่สูงก็ใช้กินได้ใช้อาบได้การทรมานก็น้อยหน่อยส่วนบ้านของคุณยอดเนี่ยก็ต้องเข้าไปในตรอกซึ่งปกติแล้วเป็นถนนปูนเดินข้างริมคลองเล็กๆพอน้ำท่วมระดับสูงเกือบบ้านเอวนะคะเดินกลางคืนก็น่าคิดนะทั้งงูเอ่ยจระเข้เอ่ยแล้วก็มันเป็นคลองที่มาจากแม่น้าด้วยสัตว์ ร, ร้ายก็ย่อมเข้ามาหากินได้ถ้าลงเรือก็หมดปัญหาไป มีเพื่อนคุณยอดคนนึงค่ะบ้านอยู่วัดดอกไม้เขาเป็นครูแล้วก็ย้ายเข้ากระสวงเช้าบ้านอยู่ในตำบล น, นั้นถ้าเดินลุยน้ำจากถนนสีแยกบ้านแขกของทนบุรีนะคะถึงตำบลวัดดอกไม้มีระดับน้ำสูงเกือบยอดอกเลยนะเรือต่อบรรทุกเข้าแจวได้สบายบางทีเล่นไปเลยค่ะ นี่แหละความยากของคนกรุงที่แช่น้ำบ้านไหนเตี้ยน้ำเข้าไปครึ่งห้องก็ต้องต่อเตียงยกพื้นอาศัยนั่งนอนแล้วก็ทำครัวเหมือนกันกับพวกที่ถูกลอยแพแล้ว่ะเรื่องของส้วมใช้กันห้องเล็กเอาแทนส้วมจริงที่ใช้ไม่ได้ใช้ลอยอกระทงกันตามบุญตามบาปเหมือนที่บีบอกไปว่าลอยกระทงแล้วก็เอาน้าเอามือปัดน้าลอยออกไปไปเจอใครไปเจอบ้านใครก็สุดแท้แต่เวนแต่กรรม บางบ้านใช้โอ่งน้ำเป็นถังซ้วมนะโอ้อันนี้แก้ปัญหาดีมากแม้จะต้องเกิดปัญหาว่าเมื่อน้ำลดแล้วจะทำยังไงกับโอง่ง น, นั้นเนี่ยนะก็มีไว้แก้กันคราวน้ำลดแล้วค่ะแบบนี้ทีนี้จำพวกอาหารผักจีนตอนนั้นเนี่ยคุณยอดจดไว้ในหนังสือของครูเหมบอกว่าขาดแคลนจริงๆต่างจังหวัดก็ท่วมไม่มีดินปลูกแต่ว่าคนไทยมีผักไทยช่วยชีวิตได้นั่นคือผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่เกิดในน้า ผักกระเฉดเกิดในน้ําผักใบสะระแหน่ต่อแพรลอยปลูกได้ผักล้มลุกอื่นๆแก้ปัญหาได้ปลูกเป็นกระบะค่ะปักเสาในน้ํางมดินใส่กระบะพอปลูกได้แต่เจ้าประคุณปลาเล็กๆนี่แหละมีคุณแก่มนุษย์นักอุทิศเลือดเนื้อไหวกันมากรนเกลื่อนเล่กลายบ้านมนุษย์ก็ทําเบ็ดล่อกันที่หน้าต่างบ้างนอกชานบ้างพอเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตส่วนข้าวสารนั้นเนี่ย ก็ยังมีเก็บมากก็เลยมีการพายเรือขายกันเหมือนแม่น้ําลำคลองนานเดือนเข้าน้ําชักจะเสียสิคะทีนี้ก็ลงลุยก็เกิดคันเป็นแผลความสนุกตอนแรกหมดไปเหลือแต่ความทุกข์ยากพระสงฆ์องค์ขเจ้าเนี่ยลำบากทุกๆวัดเลยที่พายเรือไม่เป็นท่านก็ทนลุยน้ํายอมเปียกออกบินธบัทใกล้กๆที่พายเรือเป็นก็ไปทางเรือพวกขโมยขจรเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมดีจริงๆมีเรือเล็กๆพายคล่องจัง เที่ยวพายขโมยเมื่อบ้านไดนหลับเผลอพลเผลอตัวการมิดชิดน่ะมันไม่มีนะคะในยามที่เมืองแช่น้ําเช่นนั้นก็เลยเป็นโอกาสเหมาะสําหรับพวกตัดช่องย่องเบาพวกเจ้าของทรัพย์แม้จะรู้ตัวตื่นขึ้นมาการจะไล่ขโมยนั้นมันไม่ทันหรอกคะ่ะเพราะว่าต้องลุยน้ําส่วนขโมยมันพายเรือหนีสบายผ่านบ้านใครก็ไม่มีเสียงดังส่วนผู้ไล่นั้นเนี่ยจะต้องลุยน้ํากันสู้ซ่าสู้ซ่าคุณยอดเองบอกว่าเคยไล่ขโมยเหมือนกัน แต่ก็ยังว่าแหละเสียเวลาเปล่าเ ป, ยเ ป, าเปียกเปล่าเปล่าเหม็นน้ําเน่าเปล่าเปลใครจะเคยเห็นมนุษย์ประหลาดอย่างคุณยอดคุณยอดบอกเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่าเดี๋ยวขอเล่าเป็นภาษาคุณยอดละกันคุณยอดบอกว่าในโลกนี้อาจจะมีมนุษย์ประหลาดอย่างผมกับพวกเพื่อนบางคนในยามคับขันอย่างนั้นถ้ามุ่งหน้าไปทํางานแล้วเมื่อหมดเวลามุ่งกลับมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น กลับทำตัวเป็นเจ้าสำราญโดยไม่รู้กาลเทศะเย็นค่ำย่ำวันยังแวะอยู่ตามร้านเหล้าถ้ามีสตางค์มากก็ขึ้นร้านเหล้าเป็นตึกสูงมีสตางค์น้อยก็แวะตามร้านเหล้าต่าๆสำหรับที่กินเหล้านั้นเนี่ยคุณยอดบอกว่าเขาก็ยกร้านขายอย่างให้นั่งกินคล้ายโขนนั่งราวดีกว่ายืนแช่น้ากินหน่อยนึงเจ้าของเขาก็ทนแช่น้าเดินตักเหล้าบ้างขึ้นนั่งราวบ้างเป็นบางคราว แถวร้านเหล้าเนี่ยก็มีเรือลอยลําคอ ย, คอยพวกขี้เหล้าอยู่มากมายเนะีคะพอเมาหงำดีแล้วก็เรียกเรือมาส่งอาให้ไปส่งที่บ้านผมกับเพื่อนอีกสองค น, คนก็คือครูแก้วครูคงก็ อ, อยู่ฝั่งธนบุรีด้วยกันก็กลับด้วยกันนั่งเรือผ่านมาหลายถนนพอถึงสะพานพุทธก็ลงเดินข้ามสะพานลงเรือต่ออีกทีหนึง่งในระหว่างสามทุ่มสี่ทุ่มนี่ก็มีเรือเสมอไม่ขาดแคลนใครอยู่ทิศไหนก็ว่าไปทิศนั้น อีกวันหนึ่งผมเกิดฉายเดี่ยวพวกเพื่อ น, อนมีธุระก็กลับกันก่อนแต่ว่าผมถูกลูกศิษย์เชิญกินเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่แต่ไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่นักเพราะว่าบ้านตัวเองมันน้ำท่วมไงไปอาศัยบ้านเพื่อนอยู่ก็เลยมีการเลี้ยงกันผมก็ถูกเชิญไปเป็นประธานบ้านนั้นเนี่ยเข้าไปหลังตึกอ่าเป็นหลังตึกแถวคล้ายๆกับสวนเลี้ยงกันจนเผลอตัวจนดึกเลยแหละก็เลยลากลับ สิทธิ์คนนึงออกปากว่าจะนั่งเรือไปส่งเขาก็เลยลุยน้ำจะไปตามเรือครั้นไปตามเรือได้แล้วแทนที่จะนั่งเรือมานะกลับเดินนำเรือมาพวกบนบ้านก็มองดูอยู่ในขณะนั้นเองผู้เดินนำเรือก็พลุบหายจมน้ำลงไปสุดหัวพวกเราตกใจกันทางบ้านผู้นำเรือตะกุยน้าโผล่ขึ้นมาได้และพวกเจ้าของเรือเนี่ยก็ฉุดเอาขึ้นมาจากที่เอาขึ้นมาไว้บนที่ตื้น ลูกศิษย์ผู้จมน้ําดาเอ็ดอึงว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นมีช่องท่อลึกก็เลยพลุบลงไปฉะนั้นการจะนั่งเรือไปส่งผมที่สะพานพุดก็ล้มไปผมนั่งเรือกลับคนเดียวนั่งไปสงสัยไปว่าเออเรือลําที่ผมนั่งมานี่มันใหญ่มากถ้าบรรจุคนเต็มที่น่าจะได้สักสิบกว่าคนทํำยังไงก็ไปส่งผมถึงสะพานพุดไม่ได้แน่แน่ท้องติดแห้งในที่สุดก็จริงเหมือนที่คิดสุดทางน้ําลึกค่ะคุณยอดบอกว่า ผมก็ต้องทรมานต่อไปเรือส่งผมได้แค่ใกล้ๆโรงภาพยนต์เฉลิมกรุงผมก็เลยต้องเดินลุยน้ําต่อไปแต่ไม่ลึกมีน้ําเพียงแค่เลยตาตุ่มนิดหน่อยแต่ครั้นมาถึงถนนข้างวัดเลียบหน้าโรงเรียนเพาะช่างน้ําลึกแค่หัวเขา่าเรือแถวนั้นเนี่ยไม่มีผมก็ต้องทํำสเต็ปย่าน้ําไปตามระเบียบย่าไปท่องไปจอมจอมนานๆก็จะหยุดยืนนิ่งเพื่องเงี่ยหูฟังว่ามีใครเป็นผู้ผจญเวรผจญกรรมแบบเดียวกันกับผมบ้าง ฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงจอมจอมย่องสเต็ปแบบเดียวกันกับผมเมื่อมันมีเวนแต่เพียงผู้เดียวก็ต้องย่องต่อไปแต่บัตรนั้นเองมันมีเสียงรถยนต์แหวกน้าําดังสู้ซาสู้ซ่ า, ซาผมหยุดเหลียวดูรถรถนั้นใหญ่มากพอเข้ามาในระยะใกล้ก็รู้ได้ว่ารถนั้นเป็นรถบรรทุกของเก่าที่เอาออกมาจากซุม่มจะลงเรือไปทิ้งทะเลคุณครับคุณครับโปรดมาขึ้นรถเถอะครับอย่าทนทุกย่ำน้ําอยู่เลยเสียงคนขับตะโกนลงมา ผมก็เห็นว่าเออเหมาะว่ะถ้าไม่ขึ้นไปกับเขาก็ย่ำอีกหลายร้อยสเต็ปกว่าจะถึงสะพานก็เลยรีบลุยขึ้นไปข้างหน้ารถพร้อมกับร้องขอบคุณความอารีของเขาดีเหมือนกันนานๆขึ้นรถบรรทุกมู ล, ลค่า่าบรรทุกมูลเก่าเสทีผมก็สารภาพกัคนขับรถว่ามัวหลงเพลินกินเลี้ยงเลยย่ำแย่ถ้าคุณไม่ช่วยผมก็งอมเลยคุณจะไปแค่ไหนผมยังไม่ทราบเลยสุดทางแค่ไหนผมก็ลงแค่นั้น ความจริงผมก็รู้ว่ารถบรรทุกของชนิดนี้คงส่งผมได้แค่วงเวียนเล็กเขาจะต้องเลี้ยวไปทางวัดวัดอนงนะคะตัดลงคลองสารเพราะว่าเรือบรรทุกมูลเก่าจอดอยู่ที่ท่าน้ำเท่าอ่าท่านั้นทีนี้เมื่อสุดทางคุณยอดบอกว่าผมก็ลงตรงนั้นแล้วก็ล่ำลาผู้ขับ แล้วผมก็เดินข้ามสะพานวงเวียนเล็กลงสู่ทางทรมานต่อไปเพราะว่าเรือรับจ้างเนี่ยเขากลับไปนอนกันหมดแล้วผมก็ลุยน้ำตอนที่ลึกแค่บ้านเอลไปแต่เพียงผู้เดียวก็รู้สึกเหงาเศร้าใจเหมือนอยู่กลางทะเลทำใจแข็งร้องเพลงหญิงหญิงไปคนเดียวในน้ำที่เงียบอย่างน่าสังเวชใจผ่านความกลัวไปร้อย0 0จนถึงบันไดบ้านพอย่างขึ้นนอกชานบ้านได้เสียงภรรยากล่าวปลงอนิจจังความประพฤติของผม ที่แบบว่าประพฤติตัวแบบเวนเวนผู้หลงอยู่แต่ความสนุกจนลืมทุกสิ่งที่ไม่ควรลืมเห็นแก่ความสนุกอีกคืนหนึ่งสิครับท่านที่เคารพคุณยอดบอกเป็นคืนที่เกิดโศกนาฏกรรมของคนชั่วที่น่าจะสมน้าหน้ามากกว่าหน้าสงสารคือพอเลิกจากกระทรวงก็รับเลี้ยงจากเพื่อนคนหนึ่งที่กระเป๋าหนักเลี้ยงกันที่ร้านสุราตึกสูงมีดนตรีฝรั่งด้วยก็เลยสนุกเต้นแรง้งเต้นกากันอยู่จนตี3าม จึงนึกถึงตัวได้ว่าจะต้องเดินทางกลับด้วยความยากมากอีกประการหนึ่งรุ่งขึ้นยังไม่ใช่วันหยุดราชการผมสองคนกับครูแก้วก็เลยสะกิดกันเรี่ยงกันกลับว่าเรือที่จอดคอยอยู่แถวร้านเล้าใหญ่นั้นเนี่ยพามาส่งถึงสะพานพุทธเป็นขั้นสุดของชาวเรือฝั่งกรุงเทพแล้วเราสองคนกับครูแก้วก็ทำสเตปบนบกก็คือย่าข้ามสะพานพุทธจากฝั่งกรุงเทพถึงฝั่งทน กว่าตาหาเรือที่จะพาตัวเองเนี่ยไปพ้นการลุยน้ำไม่มีสักลําเดียวเพราะว่าเวลามันดึกเกินกว่าที่จะมีเรือใดอดทนนอนอยู่ได้ผมกับครูแก้วก็เลยมองหน้ากันรู้ชะตากรรมจัดการเอาของจะเปียกขึ้นโพกบนศีรษะด้วยผ้าเขามาให้หมดห่วงต่างก็ยืนทอดสายตามองไปข้างหน้าที่ชะตากรรมของสัตว์มนุษย์อย่างผมสองคนจะต้องผจญแล้วก็ทาเสียงฮึดปลุกใจใตนเองว่าเราต้องสู้เราต้องสู้ ทุกๆคนถ้าได้เห็นเราพยายามตอนนั้นเนี่ยนะคะจะพากันหัวเราะว่าใครทำอะไรจะเว้ยเจ้าตัวเจ้าทาตัวของเจ้าเองถ้ามีงานการจะต้องทำในายามนี้จะพากันบ่นว่าพูมหน่วยการเนี่ยโหดเยี่ยมใช้คนอย่างหน้าเลือดทั้งเวลาดึกแล้วก็ลำบากยากเข็นเปล่าทั้งนั้นเวรของคนอย่างนี้ไม่บน่นเดินสิวะเสียงปลุกใจอย่างแข็งกร่งของเราสองคนแล้วก็ลงลุยน้ากันมาอย่างแสนช้า ถึงสะพานวงเวียนเล็กเดินขึ้นบนสะพานยืนพักขานิดหนึง่งในตามองพื้นน้ำที่จะต้องฝ่าฟันไปข้างหน้าอีกพอเพียงแก่การพักแล้วก็ย่ำลงน้ำ ซึ่งความลึกของน้ำตอนนี้เนี่ยลึกกว่าที่ผ่านมาแล้วคือมันลึกถึงแค่บ้านเอวจริงๆตอนกลางๆเป็นสายน้ำที่ยันกันนิ่งเพราะว่าแรงดันมาจากทางคลองบ้านสมเด็จแล้วก็แรงดันมาจากทางคลองบางหลวงผ่านตำบลบางอ่าตาบลสะพานเจริญพาดแล้วก็แรงประทะจากคลองสารบ้างน้ำลึกและกว้างน่ากลัวของถนนนี้น่าคิดนะแต่ข้อ ย, ยังชั่วที่มีเพื่อนมาด้วยกัน2คน ก็พอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้กันและกันได้ก็กัดฟันค่อยๆลุยกันมาอย่างช้าจนถึงสีแยกบ้านแขกที่มีสายน้ําเป็นวังวนเพราะว่ามันไหลามาชนกันมันก็เลยเกิดเป็นน้ําวนตอนเราสองคนจะแยกกันนี่สิครับครูแก้วจะไปทางเจริญพาดเลี้ยวเข้าทางวัดดอกไม้ถนนนั้นน้ําลึกแค่อกคุณครับถ้าใครเห็นภาพของผมกับครูแก้วในยามนี้จะทั้งปรงอนิจจังและสาบแช่งไปเลย ดูสภาพไม่ผิดอะไรกับนักโทษประหารยืนล่ําลากันด้วยใจคอหายแทบจะร้องไห้ต่างคนต่างสงสารกันที่สุดตามสันดานคนเมาเหล้าซึ่งห่วงใยกันนักในยามจะแยกกันกลับเนี่ยยิ่งมองเห็นภัยอยู่รอบด้านเช่นนี้ก็ยิ่งห่วงกันจนเป็นการใหญ่วันนี้ขาดครูขาดครูคงบ้านข้างวัดลาไป ถ้ารายนั้นมาด้วยนี่จะต้องนอนบ้านผมแน่ๆเพราะว่าสุดความสามารถจะกลับบ้านได้อยู่เข้าไปในสวนลึกไกลถนนใหญ่ระดับน้ำเนี่ยลึกลึกมากต้องไว่ายไปจะลุยไปไม่ได้เลยแต่แค่ผมกับครูแก้วเนี่ยก็เอาการอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าก็ใจคอหายเหมือนกันอันนีจาเพื่อนจะไปอย่างไรคนเดียวเราก็ยืนล่าลากันนานโข ổ. ครูแก้วนี่เมามากร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าห่วงลูกห่วงเมียจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนผมแล้วก็นอนกับผมแต่บังเอิญทางบ้านเนี่ยมีเมียแล้วก็มีลูก2คนเท่านั้นก็เลยบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยก็คือมาเช่าเขาอยู่ใหม่ๆก็เลยจำใจต้องกลับไปบ้านแม้ว่าจะตายซะตามทางก็สุดแต่กรรมผมฟังเพื่อนรำพันและใจแห้งที่สุดน้าตาผมไหลลงอาบหน้าอันนี้จาห่วงจริงเพื่อนเอย๋ย น้ำมันลึกสัตว์ร้ายอาจจะมีได้เพราะว่าฝั่งทนเนี่ยมันมีคลองมากสัตว์ร้ายย่อมจะเข้ามาหากินเช่นพวกจระเข้จะเข้ามาหาทั้งแมวแล้วก็หมามากมายส่วนงูใหญ่ก็มีชุกชุมเพราะว่าบ้านคนยังห่างๆกันแล้วก็มีสวนมากซึ่งเป็นหลังอาศัยของงูครูแก้วเนี่ยร้องไห้อยู่พักหนึ่งด้วยห่วงลูกห่วงเมียแล้วก็สงสารผมผู้เป็นเพื่อน เมื่อจากกันแล้วผมก็ยืนแช่น้ำดูครูแก้วจนห่างไปแล้วผมก็ก้มหน้าลุยน้ำต่อไปน้ำตาก็ยังคงไหลลงเรื่อยๆสงสารตัวเองแล้วก็สงสารเพื่อนก็เดินรำพึงรำพันกันไปจนถึงบ้านรุ่งขึ้นไปทำงานพบกันขากลับก็กลับพร้อมกันทั้งครูแก้วครูคงต่างก็คุยสู่กันฟังถึงความยากที่เมื่อเจ็บป่วยอยู่บ้านไม่ได้มาด้วยกันเรื่องของเราเนี่ยมีอยู่ว่า ถ้าใครขาดไปจนไม่ได้กลับพร้อมกันก็ตัดใจไม่ทะเลทลายกลับบ้านตรงเวลาเสมออีกวันหนึง่งไม่พบครูคงเวลาขากลับก็เลยเหลือสองคนกับครูแก้วซึ่งครูแก้วก็ไม่ค่อยสบายดื่มเหล้าได้น้อยกว่าเคยก็เลยกลับไม่ดึกเกินไปนะักเพราะว่าขาดครูคงไปคนหนึ่งถ้าเขาจะมีธุระ ไม่มาทํางานก็เลยไม่พบกันอยู่กระทรวงเดียวกันก็จริงถ้าคนละกรมก็ห่างกันถ้ากรมไหนอยู่ในตึกเดียวกันก็พบกันเสมอถ้าอยู่คนละตึกจะพบกันก็ต้องลุยน้ำไปหรือว่าลอยคอไปหากันถึงจะพบกันได้ในคืนนั้นอย่างที่คิดจะกลับหัวข้าม2คนกับครูแก้วแต่ก็จวนจะลอยคอกันไปอีกแล้วเพราะว่าเรือหมดจริงๆยังไม่ดึกมากอย่างวันก่อนแต่ว่าเรือเนี่ยยังคงแจวพายไปส่งใครที่ไหนหมดจึงไม่มีเรือ เราสองคนกําลังตัดสินชะตากรรมจะลุยน้ำอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเราเอกอ่ะมาทางด้านตรอกข้างวัดประยูนมีเรือแจวลำานึงค่ะมีผู้คนนั่งมาด้วยแล้วก็เป็นครูคงครูคงนั่นเองนั่งมาผมกับครูแก้วเนี่ยใจมาสักกใจมาสักกระกกรบุงหนึ่งครูคงเร่งให้ลงเรือเขาแจ้งกับเราว่าเขาไปยุ่งอยู่กับเรื่องการตายของญาติที่วัดกัลยา ที่จะเร่งกลับบ้านเพราะมีอะไรจะต้องทำด่วนขอให้เรือเนี่ยส่งเขาก่อนที่บ้านวัดลาวแล้วจะให้เรือนั้นเนี่ยไปส่งเราตามที่อยู่โดยเรียบร้อยการเดินทางกลางคืนโดยที่บ้านเมืองแปรผันไปแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่ยากยิ่งคุณผู้ฟังปกติเคยเดินบนแผ่นดินถ้าจะไปวัดลาวอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องเข้าตรอกเข้าซอกแม้จะไกลหน่อยก็ยังดีคือเดินทางถนนที่จากสี่แยกบ้านแขกตรงไปทางเจริญพาด ก็จะพบสะพานหนึ่งก่อนที่จะมีคลองผ่านตลาดบ้านสมเด็จแล้วก็ตรงไปทางโรงเรียนบ้านสมเด็จแล้วก็คลองนี้เนี่ยจะไปออกคลองบางหลวงถ้าเดินทางเท้าจะเข้าซอยข้างสะพานนั้นตรงไปยังโรงเรียนบ้านสมเด็จแต่ว่าเลี้ยวซะก่อนเข้าวัดลาวก็จะถึงบ้านครูคงได้ง่ายๆหลับตาเดินไปก็ถูกแต่ว่าในครั้งนี้ครูคงอ้างถึงธุระร้อนขอให้เข้าทางลัดไปตามตรอกใกล้ๆสุเหร่าอิสลามทางสี่แยกบ้านแขก แต่แจว อ, อะไรแน่นอนละคะกับการเดินทางน้ําที่ไม่ใช่ทางเก่าดั้งเดิมน้ํามันพึ่งมาท่วมเข้าทางโน้นผิดเข้าทางนี้ผิดทางตันบ้างอะไรบ้างก็เกิดวนเวียนกันอยู่จนดึกเพราะคนแจวเรือก็พึ่งอะไรไม่ได้เลยคล้ายคนบ้าจะพูดอะไรบ้างก็ไม่พูดชี้ไปโนะอ่าทางโน้นไปทางนี้มันก็วุ่นวายวนเวียนเล่นจนดึกมากจึงได้ถึงบ้านครูคงแล้วก็ส่งครูคงถึงบันไดบ้านที่ดับไฟนอนกันเงียบ แล้วครูคงก็ออกคําสั่งกับคนเรือลำนั้นให้กลับไปส่งเราจนถึงบ้านเห็นทีว่าเรือลำนี้อาจจะเป็นเรือของบ้านงานที่ไปส่งครูคงหรือว่าเป็นเด็กของครูคงอันนี้เราก็ไม่รู้พอออกจากบ้านครูคงแล้วก็วนเวียนหลงไปหลงมาหาทางออกไม่ถูกจนหน้าเบื่อยิ่งเป็นหมู่ไม้มืดๆ ด, ด้วยอย่างนี้แล้วก็โอ้โหยากเลยทีเดียว ครูแก้วนี่ก็ตัดสินใจว่าจะนอนบ้านผมเพราะว่าเมียครูแก้วเคยอนุญาตว่าถ้าดึกนักอย่าได้ทรมานกายเลยจงนอนเสร็ตามบ้านเพื่อนเธอะดีกว่าเดินทางแบบเสี่ยงอันตรายแบบนี้แล้วเราก็พูดกันว่าเออถ้าหลงทางออกไม่ถูกจอดเรือนอนกันซะเลยไม่ดีกว่าหรือไงไปเอาตอนเช้านอนค่อยกลับจะคิดค่าโดยสารให้สมใจไปเลยแต่คนเรือไม่พูดค่ะไม่พูดกับครูคงอ๋อไม่พูดกับครูแก้วแล้วก็ไม่พูดกับคุณยอดเลยก็แจวสุ่มไปเรื่อยๆคล้ายจะไม่พอใจสองคนนี้ แจวเข้านนติดเข้านี่ติดดงไม้มืดยิ่งมองทางไม่ออกสักครู่หนึ่งจึงเห็นเรือเล็กๆมีคนพายอยู่ข้างหน้าเราคนเดียวลำหนึ่งก็มองดูอย่างสังเกตนะแล้วก็นึกว่าเอ๊เจ้าเรือแบบนี้กระมังที่เป็นเรือขโมยแต่จะเป็นเรืออะไรก็ตามเราควรถ า, ถามถึงหนทางออกถนนใหญ่จะได้เดินทางถูกแล้วก็ง่ายกว่ามาลัดอ่ามาทางลัดที่ไม่เคยมาคุณครับทางออกไปถนนใหญ่เนี่ยไปทางไหนครับผมร้องถาม คนเรือเล็กหันมาทางเรานิดหน่อยแต่ไม่ตอบอะไรโบกมือชี้ทางให้แล้วก็พายเลี้ยวเข้าดงไม้หายไปไเราก็เบนหัวเรือไปตามทางที่เขาโบกมือให้แต่ไปไปมาๆก็ติดมีบ้านมากหลังขวางทางอยู่เสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่นี่ร้องจ้าละวันถามบอกว่าจะไปไหนกันถ้าจะออกถนนเนี่ยต้องหันหลังกลับไปเราก็หมุนเรือกลับ แจววนอีกหลีกบ้านไปหลายหลังจนเข้าที่เวิงเรือเราไปสะดุดหลักหรือว่าตอใต้น้าหลายกึกผมมองเห็นตัวอาคารอยู่ข้างหน้าก็จำได้ว่านั่นคือตัวสุเร่าอิสลามและที่เรือเรากำลัง อ, อยู่ก็คือกลางสุสานที่เราถูกกึกกักกึกกักบ่อยๆนั่นก็คือหลักไม้ที่ปักชื่อผู้ตายที่ปากหลุมศพผมก็ยกมือให้เลี้ยวออกเราก็เบนออกตามบัญชาไม่โตเถียงลัดนูน่นลัดนี่อย่างคนไม่มีหัวใจ ครูหนึ่งก็รู้อีกว่าผิดทางละเพราะว่าเรือเนี่ยไปพบอะไรมันเพื่อฟังได้ปะไปพบโกดังเก็บศพที่วัดน้อยแต่ว่าผิดครั้งนี้ครูยอดบอกว่าผมยังพอมีใจเพราะว่าลงใกล้โกดังผีดังนี้เลยไปอีกไม่กี่มากน้อยก็จะออกไปบ้านผมได้ก็นึกโกรธอยู่ในใจว่าการวนเวียนหลงทางเข้าป่าช้าแขกป่าช้าไทยเนี่ยมันไม่เจริญหัวใจเลยในยามดึกเช่นนี้ เราวนอยู่อีกครู่เดียวก็ถึงบ้านผมได้อย่างปฏิหาริย์พอเรือเทียบบันไดผมและครูแก้วเนี่ยก็ก้าวขึ้นบันไดปากผมเรียกภรรยาไปมือก็ค้นหาซองเงินในกระเป๋าพอหันจะถามราคาค่าจ้างเรืออา้าวเรือหายไปซะแล้วหายไปอย่างประหลาดใจเพราะว่าลงเข้าบ้านผมแล้วไม่มีทางเลยจะไปได้มีทั้งต้นไม้แล้วก็บ้านอื่นขวางทางจะต้องกลับลำก่อนแล้วออกทางประตูรั้วที่ปิดตายอยู่ไม่น่าจะแจวผะไปทางไหนได้ ผมถามครูแก้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาเผลอตัวมัวมองดูผมอยู่เมื่อตอนที่ผมเรียกภรรยาให้เปิดประตูเัือนอกชานรับครูแก้วก็มองลอดเรือลูกกรงห àng, ่างๆเข้าไปดูว่าภรรยาผมจะเปิดประตูห้องหรื อ, อยังครั้นหันมาดูเรืออ่ะก็เห็นจากไปซะแล้วอย่างน่าประหลาดใจปากผมวายก็รองเรียกไปดังๆในายามดึกดังกึกกล้องไปไกลเลยแต่ไม่แยกก็ได้ยินเสียงตอบหรือว่าอของคนแจวเรือเนี่ยตอบกลับมาผมกลุ้มใจ เงินยังไม่ได้จ่ายเขาก็รีบไปเอ๊หรือว่าครูคงสั่งไว้ไม่ให้รับเงินเรากระมังแต่คนเราที่ดีที่ถูกจะอยู่จะอยู่จ ะ, ยจะไปก็ต้องร่ำลากันบ้างสิผมก็นึกด้านเดียวว่าคนแจวเรือคงโกรธเราเพราะว่าเร า, าเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเราสองคนเนี่ยเขาคงไม่เสียเวลาจนดึกแบบนี้ เราเข้าประตูนอกชานได้เมื่อภรรยาผมมาเปิดและถามอะไรกับผมสองสามคำแต่ผมคิดว่าภรรยาคงจะสวดผมว่ากลับดึกเกินควรผมก็เลยนิ่งไม่ได้ตอบอะไรเมื่อปิดแล้วก็ลงกรอนประตูรัว้วแล้วก็เดินเข้าห้องนี่มากันยังไงคะภรรยาผมถามอย่างสงสัยแปลกใจพร้อมทั้งมองดูเครื่องแต่งกายของเราสองคนที่ไม่เปียกน้ําเลยฉันก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงกันผมตอบภรรยาโพลงออกไปอย่างงง ง, งเอ๊ะพูดแปลก ภรยาตอบกลับการกลับบ้านมันก็มีอยู่สองทางมาเรือก็ตัวไม่เปียกถ้าเดินมาก็เปียกเออนั่นน่ะสิถ้าไอเรือบ้าตะกี้มันไม่หายไปฉันก็บอกได้ว่ามาเรือแต่เนี่ยมันหายไปอย่างประหลาดเลยไม่รู้จะตอบยังไงถามครูแก้วดูสิผมพูดอย่างเลอะเลือนเ อ, อ้ยพี่ลึกจริงภรรยาบ่นแบบเงือกงำไม่รู้สิครับก็มาด้วยกันครูแก้วพูดแล้วนั่งยองๆกอดเข่าอย่างหนาวใจภรรยามองดูคนโน้นทีคนนี้ทีอย่างสงสัยแล้วก็โกรธหน่อยหน่อย มาเรือนะ่ะมาแน่ละ่ะทัพทิมแต่ทำไมพอก้าวขึ้นบ้านเรือก็หายไปผมอธิบายกับภรรยาข่าเรือคงให้เขาไว้แล้วล่ะสิเขาถึงได้รีบออกไปทับทิมถามยังไม่ได้ให้เขาเนีส่สิถึงแปลกใจเนี่ยผมขึ้นเรือนแล้วผมก็มัวมองลอดรัวเข้ามาดูว่าคุณเปิดประตูห้องหรือยังเจ้าเรือนั่นก็พายราวกับหายตัวไปเลยครูแก้วว่าฉันมากับครูคงแท้ๆเอ๊ะครูคงไหนกันอีกละ่ะทัพทิมพูดเสียงดังปะโต ฉันก็รู้จักครูคงคนเดียวเท่านั้นแหละครูคงวัดลาวน่ะสิเมื่อทับทิมซึ่งเป็นภรรยาของครูยอดนะคะได้ยินแบบนั้นถึงกับอุทานออกมาบอกเฮ้ยอะไรกันแล้วก็ผลักครูแก้วแล้วก็ครูยอดซึ่งเป็นาสามีเนี่ยเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูครูคงมาด้วยเหรอทับทิมถามอีกพร้อมกับหูตาเบิกโครงมีกิริยาตกใจมาด้วยกันครับครูแก้วบอก เราไปส่งแกขึ้นบ้านแล้วแกก็สั่งให้เรือเนี่ยมาส่งเราที่นี่โอ้ยตายแล้วทัพทีมร้องพร้อมกับอุทานคําว่าผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วออกมาเยอะมากๆเลยเนะคะจนครูแก้วนี่บอกไม่ผิดหรอกครับเรารู้จักกันดีโถครูคงตายมา2วันแล้วนะคะทัพทีมพูดคล้ายกับเสียงกระซิบครูยอดได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจอุทานคาว่าฮะออกมาแต่ว่าเป็นการอุทานคล้ายกับการกระซิบนะคะ ทับทิมก็เลยพูดทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครูคงเนี่ยผู้เป็นภรรยาผู้เป็นสามีของของทับทิมเนี่ยถามบอกว่าจริงเหรอทับทิมทับทิมบอกญาติครูคงอยู่แถวนี้เมียครูคงมาตามให้ไปดูศพครูคงแกอาบน้ําแล้วตายคาบันไดแช่น้ําตายเลยครูยอดร้องแบบโวยเลยนะคะคล้ายกับคนบ้าทําไมที่กระทรวงไม่รู้กันล่ะจะไปรู้เหรอแต่ว่าครูคงตายมาสองวันแล้วนะ ทัพทีมก็ยังคงยืนยันญาติเข้าแถวนี้ไปฟังสวดกันที่วัดมาแล้วเป็นองค์พยานได้ผมกับครูแก้วจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่ได้พูดโต้เถียงอะไรอีกจนรุ่งเช้าไปทำงานจึงรู้เรื่องว่าครูคงเนี่ยตายจริงแต่ว่าภรรยาของแกไปบอกกระทรวงช้ามากมัวตกใจแล้วก็รีบจัดการกับศพครูคงทางตารวจและหมอบอกว่าแกเนี่ยเสียชีวิตโดยหัวใจวายตายร่างกายแกไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเมามาก ลงไปแช่น้ำเล่นหัวใจก็เลยไม่ทำงานอันนี้จาครูคงยังห่วงเพื่อนอุตสานำเรือไปรับเราสองคนมาส่งที่บ้านนับแต่นั้นผมกับครูแก้วก็นัดกันเลิกกินเหล้าดึกๆึกผิดเวลาต่างกันกลับตรงเวลาด้วยกันขืนโอเอดึกไปจะโดนทั้งลุยน้ำแล้วก็ผีหลอกจะยิ่งร้ายใหญ่ขอกลับตัวเป็นคนดีสถทีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ ออกมาจากบทของครูเหมเวชกรค่ะบรมครูนะคะทางด้านของนิยายสยองขวัญที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านรู้จักกันดีแล้วก็ผลงานของครูเนี่ยเรียกว่าเป็นอมาตะานิรันดร์การมากๆเลยกับเรื่องกรุงเทพแช่น้านะคะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องฉันคอยรักที่นี่เรื่องจะเป็นอย่างไรต้องติดตามแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะผิดพลาดประการใดบีกราบขออภัยด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ